ขุนนางไปทำเป็นกบฏ ท, ทางเมืองปักติลาแล้วก็ให้จุชายปุนาระยก้องทัพไปปาราบกบฏอยู่ทางนี้จะขนนางสิเสรศิษร์ก็ปลอมคำสั่งพระเจ้ า, จาโสกให้ไปลงโทษจุชายกุนาระว่าทำงานเพีียงคลันไม่ถูกต้องตามนโยบายโดยการควักพระเมร์จุชายปุนาระออกทั้งสองข้างแล้วก็ถอดออกจากฐานดอนศักด เป็นใครจุฬาภิาลาลกเปลี่ยนฐา น, นะเป็นอ่าวั น, นพกตาบอดเดินทางร่อนเร่ขับขีตะล้ำนําแหลกอาหารเขากินข้างเขาจ้าโสก็ไม่รู้เรื่องว่าอยู่ชายไป็นตัว ก, กำลําบากที่ไหนนึกว่าไปสบายทางเมืองปลายแดนแล้วตั้งให้เป็นแม่ทัพออกไปคงจะไปปราบกบฏลาบคาบหมดสิ้นเสีย น, น้ําปกครองทางมุองตกาติลาต่อไปวันหนึ่ง ก็ยินเสียงว่ามีพกร้องลั่มนำจำเสียงได้วเป็นเสียงลูกชายกุณาละให้คนออกไปดูว่าเป็นเสียงใครมาเลอะมาเล็กคนหนึ่งบอกว่าเป็นขอผ่านตาบอดคนหนึ่งมารลอะเพล ง, งที่นาวางัง พ, พระจเจ้าโสดบอกว่าแต่ว่าเสียงนี้กุณาละลูกของเราเพราะฉะนั้นขอให้ตามขอทานคนนี้เข้ามาเมื่อตามขอทานคนนี้มาแล้วพระองค์ก็จำลูกชายลูกองค์ไม่ได้ลูกชายก็ไม่อยากจะให้พระบิดาเลือกตัวเป็นใคร ก็ออยังน้กว่าคําสั่งที่แม่เลี้ยงสั่งให้ทํากระตัวนเป็นคําสั่งมาจากพ่ อ, อยังนึกอย่างนั้นยังกลัว อ, อาญาคือความผิดอยู่ก็ไม่กล้าแสดงตัวเป็นใครพระเจ้าโศกขอร้องให้วันนี้พวกคุนี้ขับลานําให้ฟังเมื่อขั บ, บจบพระเจ้าศกก็รู้แล้วว่าคุ ณ, ค, ณคุณนี่ไม่ใช่ใครคืชาจุณาราเป็นแม่เรื่องก็แดงขึ้นเมื่อเรื่องแดงขึ้นแล้วพนางติเสียรักติดก็ต้องรับจำคือถูกประหารชีวิต แล้สุชาตินาละเองก็อา่าได้อา ศ, าศาัยพระอุปคุตอรหันแสดงธรรมให้ฟังก็ดีกว่าตาตาห า, ายบอกตาหายบอกในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าได้ธรรมาจาักรสุ ก, กระดาษเพราะปรากฏว่าสุชายปุณาละนั่นในที่สุดจะออกบวชแล้วก็ได้บราารลุพระอรหันต์เพราะฉะนั้นว่ากระทรวงบัตรก็ยังมีผู้ที่จะรับช่วงต่อไปจากพระเจ้าโ ส, าสมกระทรวงบัติก็ตกอยู่กับราชนัตดาพระราชันราัรรนัตดามีชื่อว่าเจ้าชายปัมปัทิ ไม่นับถือพุทธศาสนานับถือศาสนาอีกคนหนาจับบทศาสนาเชนแต่ชาติาสัมปชีตนี่ได้จับพระเจ้าอโศกไปกัก บ, บริเวณไว้จับพระอยัยกาไปกัก บ, บริเวณไว้แล้วก็ห้ามให้พระเจ้าอโศกทาบุญทําทานกับพุทธศาสนาต่อไปไปกัก บ, บริเวณเอาไว้หมดอิสรภาพเวราที่พระเจ้าอโศก็แก่ชรามากแล้วไม่รู้จะทํำยังไงล้านชาเป็นกบฏ อันนี้ก็กรรกำโรกงกำเกลียนะครับพระเจ้าโศกเคยแช่งยันกับสมบัติที่ชาวมาก่อนพอที่จะนับถือพุทธศาสนาก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนภายใต้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จะทมเวทนากรรมมาสนองใน mm. วันที่จะสิ้นพระชนน่ะพระเจ้าโศกมาเสยเสวยลูสลลกสมออยู่แล้วก็ตรัสถามมันดาอามาตย์แต่ว่าเวลานี้ชนพูทวีปใครเป็นใหญ่พวกอามาตย์ก็พูดมาว่าเพื่อนน่ะที่เป็นใหญ่ จเจ้าสูงก็สังบอกว่าถ้าเราเป็นดายทำไมเราจะทําบุญทําทานตามใจเราสมักไม่ได้เราจะเบิกเงินในพระท้องพระครางมาทําบุญก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้เอาเรามากลับบริเวณวมาทําไมเพราะฉะนั้นเวลานี้สมบัติในตัวเราก็มีเพียงลูกสมอครึ่งผลให้เจ้านําลูกสมอครึ่งผลเนี่ยไปถวายพระที่วัดกุกุตารามและไปบอกให้พระท่านทราบบอกว่ า, วาจงดูผลของความเป็นจักรพรรดิของเราในชมพูทวีตเถอะในที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนกีรังสักอย่างหนึ่ง สมดังคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าสังคันไม่อันิรจังอย่างนี้แหละพระท่านทรงธรรมสังเวชพระเจ้าโสมก็ฝังอย่างนั้นแล้วก็มอบผลสมอครึ่งขนให้กามาเล็กนําไปถวายพระวันนั้นเองพระเจ้าโส ก, ก็สวรรคตเมื่อสวรรคตไปแล้วการปกครองอย่างระบอบธรรมมาธิปไตยที่พระองค์ทําขึ้นก็ปลอยพังทลายไปด้วยแต่พระองค์ใหม่คือพระเจ้าสัมปฐิไม่ทําตามพระราชอัยกา พระองค์นับถือศาสนาเชนมาแด่ในอุปถัมภ์ศาสนาพุทธราชวงศ์มอมุริยาของพระเจ้ารสก็ตั้งต้นื่ลงมาเรื่อยทีเดียวออกมามีกษัตริย์สืบสันตติวงอีกประมาณห้าหรือหกัจกางกษัตริย์องค์สุดท้ายมีพระนามว่าพระเจ้าพระฤหัสพฤศก็ถูก พ, พรามเนนาพรามคนหนึ่งชื่อว่าอุตเตียมิตรหรืออุกขามิตรเป็นครามในนิกรายสามเวทเป็นกบฏ จับประหารชีวิตและพุตตีมิตรก็ตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกว่าวงคสุนงค์คะละลายสส .401 อยเ์สุนงค์คะเนี่ยได้ทำอันตรายต่อพุทธศ า, าสนาพระเจ้าปุตติมิตรถึงกับตั้งรางวัลว่าผู้ใดตัดคอพระสงค์ลูกหนึ่งจะให้เงิน100ดีนาเป็นเครื่องตอบแทนใครฆ่าพระองค์นึงตายก็ได้รับรับรางวัลจากพระองค์100ดีนา เพราะฉะนั้นวัดวาอารามในแควนมะคตก็ว่างเปล่าจากพิสุงสงกลายเป็นวัดร้างพระหนีภัยไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วพุทธศาสนาในแควนมะคตก็เสื่อมโจมลงเสื่อมมากตอนนี้ไม่มีพระอยู่ได้พระเจ้าปุตติมิตรนี่ได้ฟื้นพิธีอสุวเมตุชายันแบบพรามขึ้นมาแล้วก็พยายามจะตัดคนรากเงาพุทธศาสนาในแควนมคด แต่ถ้าแต่บางเอ้นเป็นกุศลของพุทธศาสนาเพราะพระเจ้าโศกไปเอาไปหวา น, นไว้ในแควนอื่นๆถ้าหาว่าพุทธศาสนามีเฉพาะมรดกขนาดจะหมดไปเพียงนั้นแล้วนี่ก็เคราะดีเหล่าแควนอื่นๆในอินเดียนั้นพระมืได้รับการเดือดเล่าในแนคนมรดก็ต่จะอาศัยไปพึ่งความเย็นในแคนอื่นได้ศาสนาพุทธจึงรอบตัววุวุวสินค้านี้ปกครองอินเดียประมาณหนึ่งศตวรรษแล้วก็ กษัตริย์ทังอินเดียภาคใต้เรียกว่าแคว้นอันธ ร, ราชแษัตริย์แคว้นอันธ ร, ราชได้ขยายอํานาจขึ้นมาปกครองมคตฏในสัตว์ในแคว้นอันธ ร, ร, ราชนี่ก็ น, นับถือพุทธศาสน า, สาศาสนาพุทธก็ขื้นขึ้นอีกในอินเดียเพราะมีศูนย์กลางอิู่ที่แคว้นมคตอันนี้จะเห็นว่ า, าศาสนานั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล น, นะครับถ้ารัฐบาลผู้นำของรัฐเป็นชาวพุทธาศาสนาพุทธก็เจ ร, รเิญทำไมได้เป็นชาวพุทธก็เสื่อมนี่เป็นโฉมหน้าพุทธศาสนาในอินเดียทั่วทั่วไป ต่อาาจากราชวงศ์อันธระที่ปกครองมาคดนั้นทางภาคเหนือของอินเดียก็มีพวกเล่รอนอีกพวกหนึ่งอ พ, พยพมาจากไซบีเรียมองโกเลียพวกเล่รอนพวกนี้เรียกว่าพวกอินโดไซเซียนเป็นพวกผิวเหลืองมาตั้งรากฐานอยู่ในตอนเหนือของอินเดียแล้วแผ่อนุภาพเข้ามาทางคันธา ร, ราดจากมีระลงมาถึงอุเมน้ำคงคา วันหน้าพวกอินโดไทรเชียนนี่ตั้งราชวงศ์ด้วยราชวงศ์นกนิษกะขึ้นมีพยยระเจ้ากนิษกะมหาราชเป็นประมุของค์ใหญยพยย่พระเจ้ากนิษกะนี่ก็มานับถือพุทธศาสนาในขณะที่แผ่อํานาจมาถึงอินเดียแล้วก็เปลี่ยนพระไทยมานับถือพุทธแล้วก็ได้อุปถัมพุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือเป็นการใหญ่ทีเดียวยกตัวอย่างมีการทำสังขา ย, ยานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสังขยาของนิกายสระลาสติวาะสังขยาในครั้งนี้นื่องจากเป็นการทำของนิกายอื่นไม่ใช่ของนิกายเถรวาทเพราะฉะนั้นในบาลีจึงได้กราบสวหลักฐานสังขยาครั้งนี้เลยสังขยาครั้งนี้พระจักรริสกตะตั้งราชธานีที่เมืองปุรุสปุระในแคว้นคันทาราตปฏิบัติอยู่ในเขตประเทศปาซิสฐานตั้งเมืองปุรุสปุระเป็นเมือหลวง แล้วพระเจ้ากนิสกะนั้นมีราชครูณซึ่งเป็นคณาจารย์ในนกายาาสละวสติวา่าชื่อว่าพระปรตวะเถระพระเถระรูปนี้ได้ถวายคําแนะนําให้พระเจ้ากณิตสกะอุปธรรมคณะสงฆ์ในกายาาสละวสติวา่าทำสังขารนาได้ตั้งกองทําสังขารนาที่กุณฑลยันวิหารในเมืองฉลันพรในแคว้นกัจสมีระักลุคชเชมีเดียเดี๋ยวนี้ ผู้ที่มาเข้าประชุมในกองสังขารยามีทั้งพาะทั้งคาือหัดซึ่งเรียกกันว่าเป็นภูติสัตว์เป็นบันณฑิตภูติสัตว์เข้ามาตั้งเข้าร่องการสังขารยาด้วยผลการสังขารยาก็คือการร้อยกรองคมภีอัตถกถาพระไตรปิฎกเรียกว่ามาหาวิภาสาเป็นอัตถกาถาวินยัยปิฎกจํานวนหนึ่งแสนคาถาเป็นสุตตันตะอัตถกาถาสุตตันตะปิฎกหนึ่งแสนคาถาแล้วก็เป็นอภิธรรม อาจจกร ะ, ะอภิธรรมอีกหนึ่งแสนขา่ารวมหมดด้ยวยหรอมหาวิภาสาคัมภีร์มหาวิภาสามหาวิภาคนั่นเองสามแสนขาถาด้วยกันหรือเรียกกันว่าสามแสนสโลกก็เรียกเมื่อทําสังเวยนาเสร็จแล้วพระไตรปิฎกฉบับหลวงซึ่งเป็นฉบับทางราชการพระเจ้ากรษษะลิศจักรก็ปโปรดให้จารึกลงในแผ่นทองแดงเป็นเป็นหลักฐานแล้วสร้างพระเจีดีใหญ่เก็บไว้ในกรุกพระเจีดีนั้นไม่ให้เป็นอันตราย พระภูดายจะเล่าเรียนพระไตรปิดกจบนี้ก็ต้องมาเรียนมาคัดกรอกกันในแคว้นกาศมีระห้ามิให้เคลื่อนย้ายพระไตรปิดกฉบับเหลวงนี่ไปไว้ที่อื่นเพราะกลัวจะตกล่นหายศูญยไปพุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือก็หุ่งเรืองขึ้นพระเจ้ากระลิกสกจะก็ส่งธรรมเตยนาออกไปเผยแพร่ศาสนาพุทธในประเทศจีนในประเทศเรกีในไซบีเรียธรรมทูต ข, ของพระเจ้าคริษษกสกะเริ่มแต่ได้เหยียบย่างไปถึง อันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของพุทธศาสนาในศตวรรษที่ห้าถึงที่หกหลังจากพุทธจานิพพานแล้วทางภาคเหนือมีพระจักรพิศกะเป็นองค์ศาสนูปถัมป์หลังจากนั้นไม่นานโฉมหน้าของพุทธศาสนาก็ได้เปลี่ยนไปใหม่คือได้เกิดรธัธิมหายานขึ้นอโมูลเหตุที่เกิดรธัธิมหายานน่ะก็เกิดจากสาเหตุว่ า, าพาุทธบริษัทคณะหนึ่งมีทั้งพ่าทั้งคารือหัด มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อความเจริญในความเสื่อมของพระศาสนาเห็นว่าถ้านายบายการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่กลับกลึ้ให้เหมาะกับสถานการแล้วศาสนาพุทธน่าจะเอาตัวไม่รอดเพราะเหตุว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคนที่มีสติปัญญาอย่างสูงเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าคนที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นประเภทสามัญชนแล้ว ยากนักที่จะเห็นคุณค่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะมีศาสนาเหมาะสำหรับปัญญาชนแต่สําหรับผู้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาชนนั้นยากที่จะเข้าถึงเพราะพูกนี้นะ่ะเคยสะดวกต่อการอ้อนวอนพระเจา้าสะดวกชอบในพิธีรีตองที่ศาสนาครามมีไร่สนองเสนอไว้ให้ศาสนาพุทธเราไม่มีพิธีกรรมและพิธีอ้อนวนอนเวทมนตร์อาคมครั้งต่างๆอย่างความไม่เป็นที่สรัทธของชาวมุนยชนเลย เป็นที่สบจเฉพาะผู้บัณดิตที่เด็กมีจิตใจยกขึ้นสู่ระดับสูหรือผู้ที่เป็นนักคิดเท่านั้นเองที่จะเห็นความดีของพุพทธศาสนาเราเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทคณะนี้จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปลุ่วิธีการใหม่ในการต้อนเอาคนสามัญชนจำนวนมากมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแม้เพียงศรัทธาก็เอาดีเพราะฉะนั้น พทธบริษัทคณะนี้จึงได้ตั้งรัธิมหายานขึ้นและคำคำโฆษณาอันเป็นคําขวัญประจํารัฐีมหายานก็คือโฆษณาว่ามหายาณสาหรับมหาชนเพราะมหายาณนัตสาหรับมหาชนจริงๆคือรับได้ชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนหรือไม่ใช่ปัญญาชนเข้าถึงได้หมดพุทธบริษัทคณะนี้มีทั้งพราทั้งครหัสนะครับส่วนรายชื่อนั่นไม่ระบุว่าเวียงไค เขาไม่ใช่เป็นการกระทําของคนคนเดียวแต่หากเป็นการกระทําคนหลายคนด้ยวยกันยากที่จะระบุชื่อบุคคลได้ว่าใครเป็นผู้เป็นต้นนีกายมหายานในพุทธศาสนาดาษอันนี้ก็เราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ของศาสนาพุทธกับสถานการแวดล้อมที่บีบปับเข้ามาถ้าชาตพุทธไมมีการต่อสู้เสียเลยล้วก็ชาตพุทธก็ต้องถูกเข้ากรืนถูกเข้าถึงลายไปเพราะนั้นการที่เกิดมหายานขึ้นจึงเป็นผลดีต่อพุทธศาสนา ทำให้ฐานะของพุทธศาสนาในอินเดียน่ะกับมั่นคงขึ้นอีกกวาระหนึ่งหลังจากที่ทําทีท่า ก, บบกระโกระเปลี่ยนแต่ จ, จมมีจมแหล่ไปแล้วคล้ายๆคนกำลังจะจมน้ําเนี่ยแต่ จ, จมมีจมแหล่<ๆ>ก็เขาเองมีร่มชูชีบคันใหญ่โยนโคมมือมามีกําลังให้เกาะแล้วก็ว่าไปถึงฝั่งได้นัก ล, ละที่มหาญาณในยุคแรกจึงเท่ากับมัดต่ออายุ ข, ของพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ชาวพุทธมหายานได้ปรับปรุงพุตธศาสนาอย่างไรที่ทําให้แตกต่างจากพุทธศาสนาแบบเรวาชหรือแบบพิณยานในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวพุทธมหายานนั้นได้ยกเอาอุดมคติเพื่อพุทธภูมิขึ้นมันนิ่งมากกว่าชาวพุทธฝ่ายพิณยานคือว่าชาวพุทธฝ่ายพิณยานหรือฝ่ายเรวาชนั้นเราไม่ได้ถูกไม่ได้ย่ำในอุดมคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งใครก็ตาม ย่อมมีอิสระแก่ตัวเองที่จะปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาปัเจภูมิหรือปรารถนาอรหัตภู ม, มิแล้วแต่เราไมา่ได้ผูกขาดหรือไม่ได้ประกาศแน่นว่าความปรารถนาในสามภูมินี้อันใดสําคัญกว่าอันใดถือว่าเป็นเรื่องของปัเจกระชนจะตัดสินตามความชอบใจของตัวเองแต่ว่าชาติพุทธมหายานนั้นหาเป็นเช่นนั้นใหม่ด้วยย้าถึงหลักของความเป็นภูมิศัตว์ย้าถึงหลัก เพือพุทธภูมิเป็นสำคัญโดยตอแหนดีเตียนผู้ที่จตนาเป็นอรหันต์ว่าผู้นั้นเห็นแก่ตัวปัดช่องน้อยนี้เอาตัวรอดไม่ได้นำพาต่อความทุกข์ของสับพระจักการเป็นอรหันต์เป็นการเอาตัวรอดเป็นความเห็นแก่ตัวแต่วกการเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เพราะบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาสร้างบารมีตั้งหลายอสุนไขแสนมหาจับในระหว่างนั้นก็จะได้ทําหน้าที่ทายเทศ อุคของสัพษษพสัตย์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่พึงปรารถนาเป็นปฏิกระพูธหรือปรารถนาเป็นอรหันต์พึงปรารถนาแต่อย่างเดียวคือเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของมหายานนะครับมหาญาณย้ำด้วยความเป็นพระพุทธเจ้ามาเพราะเมื่อสองคนใี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วชาวพุทธกลุ่มนี้จึงเรียกนิกายหมายที่ตัวตั้งขึ้นว่านิกายมหาญาณคือนิกายที่เป็นญาณพหันะอันใหญ่ ที่จะสามารถขนตัดให้ข้ามโอตกกันดาลได้มากเมื่อเรียกตัวเอว่าเป็นมหายานแล้วก็เรียกนิกายตรงกันข้ามว่าอิยนายานคือยาาหน้าที่แคบๆเล็กๆเร็วๆที่จะช่วยคุณก็แต่แต่เป็นส่วนน้อยไม่ช่วยคุณได้มากอย่างนิกายใหม่ที่ตั้งขึ้นคือมหายานแล้วก็โฆษณาแผลประกาศหัวใจของนิกายว่ามหายานเพื่อมหาชนไม่ใช่เพื่อเอกชนแต่เพื่อมหาชน หินยานเพื่อเอกชนมหาญานเพื่อมหาชนเพราะว่าอย่างนั้นนี่เป็นคาโฆษณาของเขานะเป็นอย่างนั้นไปอาเมื่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจรงเปนสองมิติใหญ่สองมิติใหญ่ทีเดียวคือมิายหีนยานมินายหนึ่งแล้วก็เพราะว่หินยานนะเป็นคําเรียกของมหาญานเรียกหอกถ้าพูดในมิานินี้ก็ไม่ได้รับคํานี้เป็นคําเรียกของตัวเราเรียกของเราเองว่าเราเป็นเฮราวาที แล้วก็ในเทระวะแล้วก็ในทินิยานนี่ก็ไม่ชีเทระวะทีมีกายเดียวมีอย่างว่าที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่ามีที่สิบแปดมีกายเนะี่ยเฉพาะในอินเดียแนะนอกอินเดียยังไม่นับนะต่อินเดียนี่ต้องสิบแปดกายสิบแปดมีกายทั้งหมดตรงทีนินยานทั้งนั้นมนสายตามหาญานแต่ทีนะินนยาณหมดอ้านอกจากหลักอุดมอุดมทติเป็นพระพุทธเจา้าซึ่งความจริงก็เป็นอุดมทุติมีในคำพีเทรวาะเราหนิแหละมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติใหม่ เป็นเพียงแต่ว่าทางมหายานเอามาเน้นเป็นพิเศษนั่นเองหลักอันนี้นี่เป็นอุดมคติในแงน่การปฏิบัติทางมหายานก็หยิดเรื่องทศบาลมีมาอาธิมามายาม้ำไม่พูดเรื่องอิเสัตบอกว่าเรื่องอิยลสัตนะเป็นเรื่อ ง, ของเขาผูทหินในญาณเขาถ้าเป็นมหายาณแล้วต้องพูดเรื่องบาลมีสิทธิพราะเราจะเป็นภูติศาสต์กันก็เป็นทําบาลมีสิ ป, ประการให้ถึงคร้อม ดูบารมีติประการนี่เป็นหลักธรรมในมหายานอุดมสุดโดยอุดมติมหายานหนึ่งพุทธภูมิโดยแง่การปฏิบัติหรือจริยธรรมมหายานปฏิบัติตัวตามพุทธบารมีสิอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธเจ้ามีพานแล้วห้าร้อยปีเราจึงแบ่งได้ว่าอ้าร้อยปีแรกหลังพขาาศดาดับขันเป็นสมัยที่พุทธศาสนาแบบ อินยานติแปดนิกายรุ่งเรืองแล้วก็500ปีหลังคือพศ500 ถ, าาาถาาหาหึงพศ1000เป็นสมัยที่นิกลายมห ah ายาณรุ่งเรืองทินฐยาณก็เติมไปค่อยๆเตอมไปเมื่อเกิดนิกลายใหม่ขึ้นมาคือนิกลายมหายานขึ้นอ่าพวกมหายานนั้นได้แต่งพระสูตรต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้คล้องจองกับ ทำสอนในลัทธิธรรมได้แต่งข้ะสูตรต่างๆเพราะฉะนั้นพระสูตรใน ม, มหายาณจึงไม่เหมือนกับพระสูตรในมิกาเรเจระวาดทั้งบาลีและสันสกฤตพวกมหายานได้ใช้ภาษาสันสกฤตมารล่าก ร, กรองพระธรรมวินยัยแล้วก็แต่งพระสูตรการแต่งข้ะสูตรเนี่ยจ ะ, ะจะเป็นการทำสัทธธรรมปฏิรูปไหมจะเป็นการทําในสิ่งที่คล้ายๆ ว, ว่าคําพูดคํานี้พรุทธเจ้าไม่เคยพูด แล้วผูกมหายานก็มาแต่งบรรจุพระโอษฐ์พระโอษฐ์แล้วผู้นี้พูดอย่างนี้บาปกรรหรือเปล่าพู้มหายานเขาตอบไม่บาปเขาบอกว่าเป็นเล็งเจตนาเจตนาที่เขาแต่งข่าสูตรต่างๆขึ้นมาใหม่ๆนี่เนะ่ยเป็นการแต่งตามพุทธมติถูกแล้วข่าสูตรเหล่านี้ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นพุทธมติมะเขาว่ายอย่างนั้นเราต้องแยกคำาพุทธพจน์กากพุทธมติออกจากกันนะครับพุทธพจน์น่ะ หมายความว่าคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่ออกจากพระโอาษฐ์ของพระสาวกดาผูกวลีจะเป็นพุทธกฏแต่ถ้าเป็นพุทธมติแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ภาสาวกเขียนขึ้นกระดาษแต่ถ้าว่าลักอยู่ในแนวกรอบมติของพระพุทธเจ้าคือว่าหลักการใหญ่ในพุทธศาสนาคือหลักเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นหลักการใหญ่ ถ้าใครก็ตามมาเขียนเรื่องราวต่างๆโดยไม่ทิ้งหลักการสามข้อนี้แล้วอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นพุทธมติได้แม้ม่ใช่พุทธพจน์ทางมายันก็อธิบายว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงแต่งคำทีพระสูตรต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็ใส่ยี่ห้าไว้ข้างบนว่าเอามือสืบตังเอกลางสมยยังพัวาไว้เขาวางกันเขาว่าเพราะใส่ไว้เพราะว่าคป็นเขาเขียนตามแนวพุทธมติไม่ได้นอกรีพมติของพุทธศาสนาไปเลยไม่ทิ้งหลักการทิ้งไงวะ เขียนเพิ่มสูตใหม่ก็จริงแต่ไม่ทิ้งหลักการพุทธศาสนาอาพสูตรมหาญาณจริงมีเพมขึ้นเรื่อยๆต่างคณะาจาร์ต่างเขียนเถียนเปนการใหญ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมหาเวทตนนอร์ล่ายาวที่เราใช้เทศกันเทมาชาติเนี่ยท่านชื่อหรือว่าทุกคำพูดเปพุทธพเชื่อหรือไม่จริงเลยที่เปนพุทธพจน์แต่มี้ต่ตัวคาถาคือตัวคาถาพันตัวคาถาพันเราเป็นพุทธพจน์เัทตนชาดกนะครับ ส่วตรายาในภาคไทยเนี่ยมันจะคุตพบเป็นคำนวลจินตกรีเฉียนพคำนวลจินตกรีเขียนมาเห็นมหาชาติคำเมือง เ, เอ่ยมหาชาติฉบับที่สามกันที่เราใช้เทศกันทุกวันนี้เอ้ยคําพูดน่ะตาตะพ่อเอ๋ยแม่พ่อชาลีกันหาซีสุริยเงเจ้ากอกก่อเกิดในปฐุมสุริยงมีคําพูดพวกนี้ยคุณตพบที่ไหน เออเออจ้าเลยพระคำไทยต่างแหละจินบากูวีขีนนะล่ะเนี่ยหรืออย่างคำพัลนาในการอีกันหนึ่งที่บอกว่าให้ดูว่าว่าเป็นวุ่งรุ่งพุ่งพ้นคตนำพรเนี่ยพัลนาภูเขาคันธมาศคำพวกอะไรกาว่าเป็นวุ่งรุ่งเนี่ยมีในคาถาทางนี้คำจิมบากูวีขยายความคาถาออกมาอีกทีหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาอ้างเราจะมาตราหน้าผู้กินตะกวียขีนเทพยาวไลา่ ย, ยาวมหาชาติาพูกนี้ทำํทำทําปฏิรูปได้ไม้มผูกนี้จุ่งจากพุทธพุทธแต่งคำพูดที่พระสาวกดาไม่ได้พูดได้ไหมเราเราไม่เราไม่กล่าวเราไม่ว่าผูกกินตะกเวียผู้นี้เป็นผูกที่ทำบาปทํากรรมชั้นใดเราก็คงไม่สามารถประนามพูกคณะาจารย์มหายาณที่แต่งพระสูตรขึ้นชั้นนั้นคือพระสูตรมหาญาณนี่ยมีลักษณะให้เข้ามหาชาติหลายยาวของเราเลยครับ หลักเดินน่ะก็เป็นหลักพระพุทธหลักแต่ไอคําขยายความรายละเอียดนี่ไม่ใช่เป็นคําที่ผู้คณาจารย์ผู้เขียนน่ะเอาไปขยายความเขียนเอาเองพระสูกเหล่านี้เขียนเอาเองนี่ผิดกับพระสูในในิกายเถรวาดกูรู้้ง่ า, ายว่าพระไตรปิฎกฉบับปารลีพระไตรปิฎกฉบับบาหลีเนื่องจากพวกเราเป็นเถรวาดเราจรึงไม่กล้าถ่ายถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติและไม่กล้าบัญญัติไปสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติ รักษาคุงเช่นคุงว่าไว้ผุกระดับที่เดียวนี่ผูม้มหายานเขาไม่ได้มารับรู้กับมติของพวกเรานี่ครับเขาถือว่าเขาต้องขยายความได้เพราะฉะนั้นเขาเลยแต่งเรื่ยเจื่อไปเลยแต่งพารนาความเป็นพารณาอุหารแบบเดียเราบแต่งไล่ ย, ยาวมหาชาตินี่แหละรื่ยเจื่อไปเลยแต่ถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธมตินะครับเพราะว่าไม่ได้ทิ้งหลักดนในพุทธศาสนาไปอาเข้ดสูตรําคัญในมหายานยุคนี้ที่ผูมหายานเขียนขึ้น ก็มีมหาปรัชญาปรมิตามหาปรัชญาปรมิตาสูตรพระธรรมกุณฑลิกสูตรกรณทวายุหะสูตรอวตังสกุฏาวตังสกามหาไตรภูริยสูตรแต่ละสูตรเนี่ยถ้าพิมเป็นเล่มแล้วตั้งเป็นหนังสือหลายเล่มยาวเกลี่ยแต่ละสูตรแตระสูตรไม่ใช่สั้นๆยาวๆอย่างในบาลีเพราะว่าคนเขียนขยายความมากมาย วิมลกีรติอิเทศรรสูตรสูตรนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วเป็นภาษสูตรสําคัญที่สุดของมหาวยาลัเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษารูปยรายถ้าปรารถนาจะศึกษ า, ษ า, ษาระสูตรมหาวิยาลหรือต้องการจะริมริตรรวรรณคดีทางมหาวิยานดูก็มีเงินให้ไปหาวิมูลกีรติอิเทศสูต ร, รที่ผมแปลดูได้สูตรนี้ได้แปลออกจากฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทยมีอยู่รุ่นสิบหกบริเฉดหรือสิบเจ็บริเฉดก็รู้ไปแล้วผิดมาแล้วสองปีอ่า เป็นขาศูนย์ขึ้นคังคุผู้ใจของมหายานทหารข้าสูตรนี้จบเป็นอนันว่ารู้หนึ่งและทิ่มหาญานดีเลยเพราะนั้นจึงควรสแสวงหาไวาย้วยท่าเวลานี่แค่เป็นหลักสูตรในหมหาวิทยลาลัยสงูงมหาวิจราวิทยาลาัยใช้เรียนอยู่อ่าบอมานในลาลาขอเจ็ดร้อยจึงได้ปรากฏโฉมหน้าของคณาจารย์มหายานองค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่งขึ้น เรียกว่ามีชื่อว่าท่านนาคารชุนนาคารชุนะเดิมเป็นชามเป็นชามวมงวิขรพะในแคว้นโกศลภาคใต้แคว้นโกศลในอินเดียมีทั้งแห่งนะครับแห่งหนึ่งเรียกว่าโกศลเหนืออยู่ราวราวมูลคนอุตรประเทศเดียวนี้มีเมืองฝาวระผีเป็นเมืองหลวงกับบอมามีเมืองอยุทยาเป็นเมืองรองสองเมือทงท่านภาคใต้คือทักษิณาบทของอินเดียเนี่ยมีโกศลอีกเมืองอีกแคว้นหนึ่งเรีก ย, ยกว่าโศลใต้ทักษณกิณโกศล ท่านนาครชุนเป็นชาวทัพพินาตูสนเดินเป็นพรามภายหลังออกบวชในมีการประวัติวัดแล้วมาศึกษามหายานแาล้วมีความทราบซึ้งกิงทํำธนิกรรมบวชเป็นที่สุในมหายานซ้ําอีกทีหนึ่งทำธนิกรรมเป็นที่สุมหายานอีกท่านผู้นี้เป็นนักปูราทีมีชื่อได้หักล้างพวกภัยละลัทธิให้แท้ราบไปหมดแท้ราบหมดพวกพรามึ่งมีเครื่งพวกอาชีวกพวกชี้เทน ข้ามาท่าเซวราทีแล้วพันนากระชุนหักล้างเอามาเป็นพุทธหมดศาสนาพุทธในอินเดียก็รุ่งเรืองขึ้นโดยพระเถรซมหายานลูกนี้ท่านได้เฉียนวิทยานิพนธ์อันมีชื่อเสียงที่สุดหลายเล่มเล่นที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่ามัทยามิกะบรติมัทยามิกาบริติเช่นในลูกภาษาอกฤษนักสืบเล่นนี้นักตรัประวมถุกได้ยุบย่อยมาก บอกว่าอุดมไปด้ปดหลักการทางตากวิทยาอย่างหาตัวจับยากที่จะหานักคิดในทางตากวิทยาหรือทางลอยิิที่ยิ่งใหญ่ยอย่างท่านนาครชุนไม่มีอีกแล้วเลยโยคอนะุตยิ่งใหญ่จริงๆริงท่านผูนี้ในคำพภีพ์มัทธยาประกาวรตินี่แหละมนตำนานคาถาของท่านพิหน้าแหลกก็จะพบท่านแต่งเป็นคถาว่าอนุรูธะมนุษตาดำอนุเชกะมัสสุตม อันนี้การ์พะมนานารธรมอันนัมันิรกันมัมย่าตริตุอย่สมุตปาดมตรีปันโขก็จะมัมสิวัมเดชยมัสสัมบุทธาปันวันเดวัตตาเมรม์นี่เป็นภาษาสุกาสกีคือท่านกลา่าวคําปนามากถาว่าท่านพระโอร์ใดสอนว่าไม่มีความดับไม่มีความเกิดไม่มีความเที่ยวและไม่มีความขาดศูน ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีอัดต่อย่างเดียวไม่มีอัดนานาประการสามารถดับตะปันกระทำให้หมดสิ้นไปได้เป็นปฏิจักรมุขปาฏิาท่านพระองค์นั่นคือพระสัมพุติจ้าซึ่งเป็นเอกกว่าบรรดาวาทัตทั้งหลายข้าขอนอกน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เป็นปนามรดาในคำภีมัธยามกะปรติของท่านนาคราชุน แล้วท่านก็ขยายความตนากระท้านนี้ออกมาสาเร็จเป็นนิกายมหายานนิกายแรกเรียกว่านิกายฝุญยาวาสหรือนิกายมาธิยมิกะแปลว่านิกายทางสายกลางนิกายมาธยมิกะแปลว่านิกายทางสายกลางเป็นนิกายแรกที่แยกออกจากในที่เกิดขึ้นในรัฐิมหายานในพศ700ลาวพศ700นี่เป็นเรื่องในนิกายฝุญยาวาสหรือนิกายมาธิยมิกะ เพรา ะ, ะนั้นนครั้ง น, นี้าก็ต้อชื่อของนิกายมหายานได้ว่านิกายมหายาณ น, นิกายแรกในละที่มหายาณ น, นั้นคือนิกายศูนย์ว่าบหรืออีกชื่อหนึ่งว่ามาทยามิกะนิกายคือนิกายที่ว่าในทางสายกลางอหลักพระเชี่ยในนิกายนี้น่ยลึกซึ้งจนกระทั่งเวลาโอกาสที่จะมาอธิบายที่นี่ยากเย็นเหลือเกินผมเองเนี่ยบรรยายในมาหมายไรส่งเนี่ย น, นักศึกษาก็ฟังยากจริงๆผู้ผู้อธิบายก็อธิบายยากผู้ฟังก็ฟังได้ยากคือมัลึกซึ้งจกระทั่งผู้กัน รู้หนึ่งอย่างพูดยังไงรู้หนอย่างเลยเกินลึกซึ้งมากศึกษาก็ลึกซึ้งแลยเกินในวันนี้นะ่ะผมอยากจะอธิบายเพียงคร่าวๆนะครับก็มือหนึเป็นเป็นฟิโลโซฟีหนึ่งปรชัชญาแรกมันก็ต้องอยากเป็นธรรมดาคือว่าสิ่งต่างๆในเรื่องนี้นะ่ะมีทวันทวัฒนธรรมคือทำที่เป็นคู่คือมีและไม่มีมีและไม่มี ถ้าจะพูดอย่างสมนวนปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นอภภาวะสภาวะหรือความมีอยู่ท่านใช้ศัพท์คํำว่าสัตสัตธาสัตธาตุกอไม่กลับต่อเต่าสัตธาสัตว่ามีอยู่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสัดความมีอยู่ก็คืออสัตอสตากความไม่มีอยู่กสตากความมีอยู่เป็นภาวะ อาสตัตว์ป่าไม่อยู่ไม่มีอยู่เป็นอาภาวะท่านนาครชุนแสดงว่าโลกกับนิพานนั้นน่ะไม่คือเป็นสัตว์หรือเป็นอาสัพโลกกับนิพานน่ะนพภาละภาวตีตัมไม่ใช่ทั้งภาวะและอาภาวะโลกกับ น, นิพานเนีเพราะฉะนั้นโลกกับนิพานน่นะจิงเป็นศูญเป็นสุญญะหรือสุญญตาพระรามอนาต ม, ม สิ่งทั้งปวงไม่มีอัออาตราระวัมตุลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปวงจิตว่างเปล่าพระนาคคุณจะรูปตรัตยานั่นว่าสิ่งที่ปวงในโลกนี้สึ่งเป็นภาวะอาภาวะเนี่ยไม่มีอาตาัตราเพราะไม่มีอัตราจิงว่างเปล่าจิงเป็นศูนเพราะฉะนั้นเมือ่อท่านสัตกับอาศัตรูฝืนแล้วโลกกันนิพพานน่ะจะหนีไปไหนเสีย ถ้าเรากำหนดรูก็ไลยอาศัยกับตัวมือก็ตีเสกจับว่าเป็นของศูนย์แล้วความดับแห่งความเป็นของศูนย์เน่ยจะเป็นของมีอยู่ได้อย่างไรนั่นก็คือแม่พระนิุพานก็เป็นศูนย์ด้วยเพียงแค่นี้ท่านพอจะเข้าใจบ้างหรือยังครับนี่สิครับผมว่ามันยากยากทั้งผมที่จะมาพูดและยากทั้งท่าน ท, ท, ที่จะเป็นผู้ฟังเนี่ยมันยากอย่างนี้แหละปรัชญาของมันคนะกชุนนะต้องสําหรับพลางเงียบเงียบแล้วอ่านกันอะไรเที่ยว ผมเองเวลานี่ก็ยังไม่รับรองว่าตัวเองมีความเข้าใจประชญยาคุณอย่าวาจะถูกต้องแม้ศึกษาจงมากศึกปานี้แล้วตัวเองก็ยังไม่ไ ม, ไ, มไม่แน่ใจใตัวเองจะเป็นผู้ถ่ายทอดคําสอนของท่านาครชุนได้ถูกต้องนะฮะได้อา่ า, ง า, งานหนังท่ันผู้นี้อประมูลคำพิ้งท่านทั้งหมดผมอ่านหมดหนั ง, งทันทานท่านาครชุนต้องค่อยๆจับทีละทีละคถาทีละคถาและต้องพยายามทําความเข้าใจแม้ยิง มันสนุกตรงนี้แหละคือสนุกที่มันยากแล้วพอเราเข้าใจเปล่าหนึ่งแล้วมันก็โอ้นีมน้มันสนุกตรงนี้ให้เกินความรู้สึกอยากจะตายเป้ากันไปอีกลึกซึ้งพูดง่ายๆว่าคำว่าสุนเดตาที่ทางมหายามพูดหรือทางท่านนาคารชุนพูดเนี่นยเราจำง่ายๆนะครับเท่ากับคาว่าอนัตาในทางเทระวัตพูดแต่ท่านนาคารชุนว่าพวกเทะวัต น, น์ยังเข้าใจอนัตาไม่ถูกต้องท่านว่า ท่านบอกว่าพวกเทวว่าและพวกหินยาน่ะเพียงแต่อ่าเข้าใจอนัตตาไม่ถึงแก่นสารเพียงเข้าถึงเพียงเข้าถึงเพียงขึ้นเดียวเพราะว่าความศูนย์นั้นอะปราบได้ก็ยังเห็นว่าโลกมีโลกเนะ่ยอยู่ต่างหากนิพานอยู่ต่างหากความเข้าใจอย่างนี้ท่านอาจารย์จุหมอใช้ไม่ได้นิพานคือโลกโลกคือนิพาน นิพพานอยู่ท like. ี mm ่ไหนโลกอยู่ที่นั่นโลกอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่นั่นถ้าอะไรเพราะว่าทั้งโลกกับนิพพานน่ะไม่เป็นสภาวะและไม่เป็นอภาวะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นภาวะเดียวกันคือศูนย์สุญญากาศโลกกับนิพพานเป็นศูนย์สุญญากาศทำไมทั้งที่เป็นศูนย์สุญญากะศก็เพราะว่าเรากําหนดโลกด้วยอะไรเรากําหนดโลกด้วยอายตระนัใช่ไหม ถ้าเราไม่มีอายุชะนะโลกก็ไร้ความหมายกับเราสมมติว่าสมมุติว่าเราไม่มีตาหูจมูกปีนกายใจสลายยุชนะหกนี่ไม่มีเลยแล้วโลกมันจะมีความหมายกับเราได้อย่างไรสลารอายุชะนะหกนี่ไมั่ดีไหนก็อยู่ที่บิก น, น, บนบกระขนนี่คือพ้นในบินกระขนนี้เพราะฉะนั้นโลกก็คือขันเป็นกระขนนี่แหละเป็นโลกทำไมมีมันกระขันแล้วโลกก็ไม่มีความหมายแล้วเป็นกระขันนี่น่ะ ลราถือว่าเป็นภาวะหรือเปล่ า, าท่านนักเคลื่อนอธิบายบอกว่าสิ่งใดเป็นภาวะสิ่งนั้นจะต้องมีอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นภาวะเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องมีอยู่ในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นเป็นอยู่ยังได้จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เรียกไปว่าขันห้าที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นภาวะหรือเปล่าล่ะ Venus? ไม่เป็นในโดยในนี้ขันห้าไม่เป็นภาวะเพราะอะไรเพราะขันห้าเป็นวิปริณามทาทำคือเป็นธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกขณะสิ่งน้ดที่เปรี่ยนแปลงได้ทุกขณะแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เป็นด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่ออาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่จช่ภาวะอันนี้เป็นการนิยามตัดคำว่าภาวะของนิกายสูญยาวาสทางมหายาณเขา นิยามศับทนี้ว่าสิ่งใดเป็นภาวะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ขันห้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขันห้าจริงหรืเป็นภาวะสิ่งใดไม่เป็นภาวะสิ่งนั้นก็ว่างเปล่าสุญญาตาว่างเปล่าวไว้ที่นี้นะไม่ใช่ไหมครับวาง ว, างว่างางุ่งงุ่งเป็นสุญญากาศนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่างเปล่าโดยธรรมะแต่ทั้งเรืมันว่างเปล่าเนะมันก็กลางอด เป็นอารมณ์ของเราได้ไม่ใช่ว่างเปล่ า, า, า, า, าอย่างเป็นกากรในท้องฟ้าบางๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปรากฏเป็นอารมณ์ของเราได้การที่เป็นปรากฏเป็นอารมณ์ของเราได้นะ่ะมันปรากฏในรูปลักษณะของมายาธรรมในรูปมายาที่ปางนี้มันไม่มีภาตัวห้าที่มีแก่นอย่างเช่นว่าต้นกันอย่างนี้เราทากระที่ทาเปลือกออกไปก็ก็กแก่นแต่ข้างในถ้า เ, าเราทาต้นเปลืวก ถากไปถากมาต้นกูทั้งต้นหายบ้าไปเลยไม่มีแกนนี่ถาก็ถากมามันมีอะไรให้มันให้เลือยงสำหรให้เราถากล่ะก็มีแต่อากอารกระโดมให้ถากก็พี่ไม่มีแล้วเพาะเหตุที่มันนี่ไม่มีแกนไม่มีป็นกันเนี่ยฉันได้โลกก็ฉันนั้นเหตที่โลกเป็เป็นภาวะโลกจึงเป็นสุญญตาคือว่างเปล่าเพราะฉะนั้นการดับสิ่งที่ว่างเปล่าน่ะจะเป็นของจริงขึ้นได้ไหม เป็นได้ไหมครับการดับถึงนี่ว่างเปล่าเนะี่ยการดับมายาธรรมจะเป็นของจริงได้ไหมพูดได้ไดไหรือเปล่าครับได้ได้ไดยังไงครับเพราะว่าตัวผู้เัาก็เป็นมายานะตัวเราเปมีขันหาก็เป็นมายาแ ล, แล้วดับกิเลสกิเลสก็เป็นมายาอะกิเลสก็เป็นขันนี่าาาาอ๋อ ไอ้นี่อ่ะท่านบอกว่าดับมายาเสียหมดแล้วก็เจอของจริงคําพูดอย่างนี้ถ้าพระชยาสุญยวะของพระนาคชุนบอกว่าเป็นคําพูดโดยสมตุติสัตว์โดยสมตุติสัตว์เป็นอย่างนี้นนะะว่าเราดับมายาเสียหมดแล้วเราก็ลูกถึงสันติคือณิพานแต่ค้าว่าพ้โดยเปรมาติสัตว์แล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรดับเพราะผู้ดับก็ไม่มีความดับจะมีได้แต่ไหนผู้ดับคือใครเล่าอนัตตานี่ผู้ดับเนี่ย มีแต่เบนีแต่เบนจะขันไม่จะขันก็ว่างเปล่าตัวเราพูดจีจะดับกิเลสเนี่ยว่างเปล่านะตัวเราเนี่ยเป็นมายานะกิเลสที่เราพูดจะดับก็เป็นมายามายาดับมายาผลคืออะไรมายาดับมายาตัวพูดดับกิเลสก็มายากิเลสที่จะถูกดับก็เป็นมายาเพราะฉะนั้นโมมายามายาดับมายาแล้วจะได้ผลเป็นอะไรล่ะก็เป็นมายาเหมือนกันลบบวกลบก็คือลบถ้ากทฤษฎีรว่าลบบวกลบก็คือลบ เนี่ยขันห้าคือตัวเราเนี่เป็นมายาไม่มีแก่นสารไม่มีบุคคลเราเขาชีวะไม่มีหมดเป็นมายากาศิเลยที่ปรากฏกับสิ่งที่เป็นมายากาศมันก็เป็นมายาเพราะฉะนั้นเมื่อเลยมายาดับมายาผลก็คือมายานั่นคือศุญยตาศุนยตาระวัมชุนยมเสื่องพวงศูนยศูนจากตัวตนศูญจากของของตนศูนจากความเป็นแก่นสารศูนย์ในที่นี้อธิบายอย่างนี้ ทั้งตัวตนทั้งของของตนทั้งสิ่งที่เป็นการสารก็เมื่อตัวผู้ดับไม่มีจริงโดยปรมัติรความดับก็ไม่มีจริงโดยปรมัภิริสิ่งที่จะถูกดับก็ไม่มีจริงโดยปรมัติรแล้วการพ้นจากความที่ไม่มีจริงจะเป็นของจริงได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นโดยปรมัภิรมิตรัสแล้วโรคกรรมิภานจริงไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองการแสดงขั้นหน้าอย่างนี้ ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมะดีพอแล้วฟังจะจะกลายเป็นอุเฉตทิฏฐินะอันตรายที่สุดนานเนี่ยเป็นดาวสองคมถ้าฟังด้วยความเข้าใจก็จะประหารกิเลสถ้าฟังด้วยความไม่เข้าใจผู้ฟังจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นนักธิกะอุเฉธาไปเลยท่านมาเข้าชุมก็เกงในข้อนี้อย่างยิ่งท่านจริงย้ําบอกว่าผู้ใดก็ตามที่จะมาศึกษาปรัชญาของท่าน ถ้าไม่มีศีลสมาธิป็นประพัฒฐานแล้วผู้นั่นผู้อย่างท่านพู้ต้องเป็มิชาริธิเพราะนั้นเขาข้อนี้ท่านกรลุกนาโผตังอีกใหม่อีกทีนะครับหลักเลื่อนสมตุติสัตว์กับประมาทสัตว์เนี่ยนิกายทางมหายานนี่กายทางมหายานเขาแบ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายสุญญาวาสเนี่ยเขาแบ่ง คือว่าโดยสมมุติสัตว์นะก็ท่านนาคราชุนก็รับอ่าบุญกรรมวัตถะสงสารนี้ใครผู้ใครก็ตามสิปฏิเสธสมมติสัตว์ว่าเอาปรมัตา์มาเป็นสมมุติผู้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิขยําท่านอย่างนั้นเอาปรมัตารย์คือเอาเรื่อศูนย์ของท่านเนี่ยมามาเป็นสมมติสัตว์แล้วคนคนนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติต่ากันไปแต่เรื่องปรมตจารย์ท่านว่าเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติ ว่บัตินายานขั้นสูงสำหรับมาชั้นแรกกิเลสแล้วก็ยิ่งได้กิเลสกามายาเราก็มายาแต่ในขณะที่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะละได้ละมาเอามายาละมายาได้น่ะเราจะมาถึงทฤษฎีอันนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างในฐานะบุตรชนนะ่ะไม่ได้เป็นอุเชทริทิที่เดียวอุเชตริทิยังครูบุนากับศพ ก, กับครูอชิตาเกสกัมพลน่ะมันเลยสท้แบบนีู้้ ว่าเอามีดฟันลงไปในกระบานไม่มได้ปันอะไรหรอกเพราะมันมีชีวะวัตถุธาตุกระทบธาตุนั่นแหละแยกบินน่าลุมไปออกเพราะนั้นไม่บาดฆ่าคนก็ไ ม, ม่บาดเอามีดผ่าไปในหัวก็มีด น, นี่เป็นวันตถุกระทบวัตถุอนูกระทบอนูอจิตาเกศกรรมพลนะแต่ครูบุลหน้ากับศพสอนอย่างนี้เพียงแต่ว่าบินน่าลุมไปมาแยกกระทบแล้วก็ยแยกกันไม่มีใครตายไมมีใครบาดบาดก็ไม่มีสอนแบบนี้ถูกในแง่ปรมาธิ์ แต่นง่ายๆสมมติใช้ไม่ได้เพราะวันง่ายๆสมมติน่ะคนที่ถือทฤษฎีนี่น่ะกิเลสท่วมหัวถ้าหากว่าไม่มีกิเลสคนนั้นเข้าไม่เอาเที่ยวคว้าไม่ไปเที่ยวฟันไขรแล้วทำไมมีกิเลสล้วก็เห็นอนัตตาศูนย์ตาจริงอย่างนี้แล้วก็เห็นจริงแต่ว่าพลาดจะคบพลาดไม่มีสัตว์มีคนเราเขาแล้วก็คนเห็นอย่างนั้นด้วยยถาปูตยานาทัศนะเขาก็ไม่มาเที่ยวค้าไม่ไปเลาะหัวไครไอ้คนที่เที่ยวคว้าไม่ไปเลากระบาลคนน่ะคนนั้นมันก็ไม่ได้เข้ากิเลสยะถาญาณปูตยะถาญาณนาปูตทัศนะ อ้าเพราะฉะนั้นจึงอย่าเอาปรมัติตไปปนส ม, มุิถ้าเอาปรมัติตไปปนสมมุติแล้วแน่นอนไม่แคล้วช้าย า, ยาอุเฉทพิธีตายแล้วต้องบ่ายไปโลกันแน่แน่นอนที่สุดถ้าเห็นว่าโลกกับอานิพานนะี่ยไม่มีศูนย์คำว่าศูนย์จะตตาใ น, ในใกลายพุนยาวาจิตธรรมะครรชุนสอนเนี่ยเป็นเพียงแต่ความะเป็นเพียงแต่ความหมายปฏิ เ, เสธความเป็นภาวะเท่านั้นเองเมื่อความเป็นภาวะดับเสียแล้ว อาภาวะก็พลอยไม่มีไปด้วยเพราะว่าภาวะกับอาภาวะนี่เป็นทำคู่เรารู้ว่ามีอาภาวะก็พราะมีภาวะเป็นเครื่องเทียบเรารู้ว่ามีภาวะก็มีอาภาวะเป็นเครื่องเทียบนะเหมือนอย่างหนึ่งเรารู้ว่ายาวก็พราะมีสั้นมาเครื่องวัดเรารู้ว่าสั้นก็พราะมียาวมาวัดกะถ้าไม่มีสั้นแล้วยาวจะมีไหมไม่มียาวแล้วสั้นจะมีไหมไม่มีอันนี้แหละ ทำแห่งความเป็นคู่คือพลันพลวะตสัมมูหธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่จะต้องละไปต้องหลับคนที่จะปราสนานิทาน็จะต้องละไอ้ความติดลูก ป, ปาทานในพลันพวะสมมูหะธรรมคือทำแห่งความเป็นคู่ได้แกอ่อุปาทานคือความติดในภาวะหรืออัภาวะผู้ได้เกิดความทักษนะในหรื่องภาวะผู้นั่นเป็นสัตสตาทิฏฐิผู้ได้เกิดทักษนะในเรื่องอัภาวะผู้นั่นเป็นอุเฉตทิฏฐิ ปราชญาของพรนาครชุนนั้นสอนให้พ้นจากภาวะและหาภาวะจึงเรียกว่างมาเทียมิกาในกายหรือนิกาววยว่าในทางสายกลางไม่เป็นขั้งอุเฉทะหรือไม่เป็นขั้งไม่ไม่เป็นทั้งสตปะอย่างนี้เอาวันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ครับได้เวลาพอสังเขปสําหรับนิกายมหาญาณใ น, นกายแรกธรรมิตากตรูดนี่ไม่มีก็คือมหายานแต่ง แต่ ว, ว่าอ้าว่าเป็นพุทธพจน์นะครับะพุทธเจ้าแสดงที่ภกเขาทิจิกูดสูตรเนี่ยแสดงกับพระสุภุติว่าใยเรื่องศูนย์พุทธตาอนาตาเนี่ยว่าในเรื่องนี้อ่าตามเรื่องบอว่าท่านเป็นผู้ที่ตัดตั้งความตับนักพุทธภูมก็ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นเพียงแต่ว่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาท่านผู้นี้เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ามาก อันนี้ควาใจยากมากครับพระญานาคนี่ควาใจยากไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้รู้เรื่องกันในระยะเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เป็นของง่ายเลยเข้าใจยากมากอันนี้ก็พูดแต่ไอ ห, หัวหูวไปดินนิดหน่อยเท่านั้นเองครับชาวอินเดียนภาคใต้เกิดในวันนภาคมเป็นชาวใต้แป ล, ปแปลปถึงกับแปลครับ กำลังกำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จชี้นยอดยอดครับชิ้นในเรื่องในหนังสือเรื่องปรัชญามหายานผมมีหนังสือเล่มอีกเรื่องหนึ่งให้ชื่อว่าปรัชญามหายานได้ประมวลนิกายทางมหายานสําคัญแปดนิกายไว้อย่างค่อนขันข้นสมบูรณ์เอาไปให้มปนคู่มือศึกษาได้ครับอา่าคือว่าเทรวาส์นี่เป็นนิกายที่เคารพมติของปฐมสังขา ย, ยนา ที่พระพระเทเรซอัลันหา้าร้มีพระมาหากรจปเป็นประธานธรรมไว้เพราะฉะนั้นในการเทเรซีบิมินิการพุทธศาสนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาแปดบนมากมายอย่างพวกนีกายอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นการศึกษาพุทธศาสนาเขาจะศึกษาแบบบริสุทธิ์แลว้วก็ต้องศึกษาพระไตรปิฎกาลีเป็นหลักเป็นเป็นพุทธบริสุทธิ์ถึงจะมีสิ่งปตกบนบ้างก็น้อยเป็นทีไม่ใช่ว่าไม่มเลยมีบ้างอย่างกระสุนเรื่องลาหูอมจันอมอัทิตย์เนี่ยมันจะพุทธพจน์แน่หลักลาหูเนี่ย แล้าหูไล่กวดพระอาิตพจันรพระอาิตพระจันทร์รก็วิ่งมาพึ่งพระพุทธเจา้าแล้วก็แปลงคันนวัต ก, การว่านโนโตพุทธวีรัตถุเนี่ยขปจขลอกน้ำเนี่ยพุทธเจา้าผู้แกวกราววิปุรุตูตีสัพทิขปุพ้นแล้วจากประดาเครื่องขู่ขั้ ง, งตวงขั้นบาทะปฏิปันโนสมุขขปเจ้ า, จากำลังตกอยู่ในที่คับแค่ที่ลําบากตระหนีตระนางคะวะ อพระองค์จงเป็นที่พึ่งอันเปราะสุดของข้าพเจ้าด้วยเถอะเพราะเปล่งอย่างนี้แล้วลาอูก็คายทีเดียวไม่กล่าวอุหม์ด้วยพุทธวิภาคอันรุ่นท่านองนี้มีในบาลีเหมือนกันอันนี้เราก็สังเกตได้ว่าเป็นของรุ่นหลังเอาเข้าวมาหั่นแสกออกมามีเรื่องดิสเดทอะไรต่างๆแบบนี้มีมมเป็นเข้าวแสกเข้ามารุ่นหลังไม่ใช่ว่าไม่ซึ้งกับมือเลยมีบ้างหรอกแต่ว่าน้อยเต็มทีแล้วก็ซึงมือแล้วก็ดูออกว่าอันไหนเป็นพุทธกตแท้อันไหนไม่ใช่ถึง้งมือเราก็ดูออกนะครับดูออก อย่างในมหาสมัยยโสภุดี่น่ะพรรนาชื่อยักษ์ชื่อเลยมากมายมากมายไก่กองเนี่ยเป็นคำพรรนาของข้าของคีติกาจารัานเมื่อาหางธรรมะอยู่ตอนท้ายที่บรรดาเทาวดาเหล่านี้มาฟังพระตเจ้ออาแล้วก็กล่าวพาติดออกมาแล้วก็พระสาวสดาสรูอย่างนี้ในเทววานก็มีบ้างแต่ก็มีสาบลายนี่อันนี้เราก็พูดเวื่องอาศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมมือในบาลีตราีดุ ส่วนมหายาณนั้นหักเป็นชาวพุทธที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อพุทธิจาริพานแล้ว500อปีตั้งขึ้นคือจะปรับปรุงนโยบายการเผอแพร่าศาสนาให้สามารถของสู้กระพูกศักดิ์นาำตามให้สามารถดึงคนที่เป็นชนชั้นสามัญมาเลื่อนสายได้มากๆผู้ยังง่ว่านิการเฉลวมราชเราถือคุณภาพเป็นใหญ่ทางมหาญาณถือปริมาณเป็นใหญ่เอาปริมาณว่าไว้ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนชอบพิธีรีตอนพอ่ดสวงพอ่อแจกเครื่องรางของขลัง มหาญาณมี้ะไรจะหงหมดมีอยากจะมีคาถารวยก็มีคาถารวยให้อยากจะมีอะไรดีมีขอเคพราะั้นึงครือางของของออออังหลวงพ่อและผนังแบบนี้เอาเข้า่าจากมหาญาณทีลวัดแท้ๆไม่มีหรอกทีลวัดแท้ๆน่ะเขาว่เป็นปฏิฐานนุยมคือมุ่งหนักไปทางปฏิบัติขัดเก้ากิเลสเป็นไปเพื่ อ, อปฏิสัีนะลีเกรสพระเจ้าปวันนั่นคไมนนน้นั่นลืมว่างนั่นลมฟางนั่นชะงผาเธอไปเลยไปทา ทำทำปฏิบัติให้ให้ประโยชน์กับบุคคลอย่าให้เป็นคนร่างกล่าในคมประจันจนี่เลยนี่เป็สปิลถึงเทววาตมุ่งไปในขับมุ่งในทางขับเก่าเพราะฉะนั้นทางมห า, ายานจริงหาวเทววัตเห็นแก่ตัวไงล่ะมห า, ายาน่ะเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านอยู่เมืองสอนถือสามคนเอาไอ้พวกคง่โง่เ ง, ง, ง, งาเงาที่มันชอบริบเดชรึงรางของขั ง, งให้มานั่งถือบ้างแล้วก็อ้พวกนี้สูกพรากชูงไปหมดก็ไม่ได้เราต้อกหลับกลงไปอยู่ใบการถือแพ่ใหม่อึกักษรจะเข้าป่าเข้าดง มหาวิวสุกส่วฝนตัวกายวิเวกจิตวิเวก อ, อุปทิวเวก ไ, ไม่ไว้ไม่ได้เเวลาเนีเห็นแก่ตัวแล้วพูกนี้เห็นแต่ตัวมหายาติบอกไม่ได้เราต้องกระโจนเข้าหาสังคมสังคมชอบเราแล ว, นะวัดเราก็มีบริการให้เพื่อต่อสู้วัทันกับผู้ศักนาความรับถ้าเจตตรวจนะฮะเทระวาดเหมือนหนึ่งยายาเม็ดบริสุทธิ์ไม่ได้เคลือบ น, น้ําตาลมหายาตก็ยาเม็ดเดียวกันนั่นแหละแต่มีน้ำตาลเคลือบและระบายสีสีชันต่างๆไว้น่ากิน เ ด, เด็กเกเนข้นขาวก็ชอบกินที่ท้าเป็นยาขึ้นมินเป็นยาขมรักษาโรคมาลิลิลชนะแต่อว่าคนไม่ชอบกินเพราะมันขมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีไอ้น้ำตาลมาเป็นเปลือกคุ้มให้เห็นเป็นลูกกวาดคนไม่รู้กินกันไปมันก็เป็นยารักษาโรคมหายาจริงเป็นธรรมะที่หุม้มมีไอ้สีสองฝั่งคุ้มไม่เยอะอยู่ข้างนอกนะแกนสารที่เป็นธรรมะอยู่ข้างในเทววิญญาณนั้นอนะไม่มีอะไรคุ้มเลยเราของเราเป็นธรรมะบริสุทธิ์ล้วน แกอยากได้กรเข้ามาไม่อยากใหฉันก็มีง้อทํามาหาญากือมีง้อไม่อยากได้ฉันมก็อยากเอาให้แกมาเข้าให้ได้ง้อก็ยังเอาออจะให้เอาใจข้าไหมฉันเอาใจได้ทั้งนั้นแหละแกชอบเมียฉันให้แกหาทําได้นี่ไปดูมหายานครับแล้วเมื่มหายาเกิดขึ้นแล้วก็ได้ผลดึงเอาพวกฟ้ามันจะชนมานแล้วถือได้เยอะพวกนี้ชอบอ่อนวอนมหายาก็บอกมามาอ่อนวอนฝักนัพุทธก็มีอ่อนวอนเหมือนกันพวกนี้ไม่ชอบขัดใจอัตโนมาโถเพราะว่าเข้าถึงได้ยากทํามหาญาบอกไม่ต้อง มหาญาณมีไม่ต้องอาตาัตชีอัตนนอาตโนาาตนาโถละมีมีวิธีจะขึ้นปณิพานทางลัทิด้วยเพราะว่าปณิพานอย่างเทวว่าลี่ลาบากถ้ามองในสายตาของคนสามัญชนที่มีว่าศสนาบารมีนะเขาบอกว่าแม้จะต้องมาขัดเกา้ากิเลสโอ้โหพิจารณาโสตยานอีกมันต้องอึ่งกายมนะันแบบอย่างอย่างเขต้องปฏิบัติยุบหนอพองหน่อกี้ต้องอยู่ปฏิสันลีนะัมารีเกินลยลำบากก็ลอเกินเขาว่าทางหมายจะบอกไม่ต้องลําบากพวกชาวชาวบ้านจะวิญญาณสาม พระวิศนุสวรรค์กี่นคนเนี่ยคือสวรรค์ทางวัดรามนะเกรงนาพระวิศนุต่สวรรค์แล้วถึงจะทําบาปมากมายพระวิศนุก็ยกบาปให้หมดไถบาปให้หมดอ่าพรามทําอะไรก็มีวิธีพระเจ้าลงมาช่วยเลือยไปอ่ะมหายานบอกว่าอย่าไปหาพรามเลยทุกข์ก็มีเหมือนกันทุกข์แบบมหายานก็มีคือพระภูติจับดีนะเยอะแยะเพราะนั้นถูกใดมีทุกข์ถักเรรงวาจาถึงพระภูติจับแล้วพระภูติจับต้องมาช่วยแล้วเป็น ไม่มีลูกก็จะได้ลูกไม่มีทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์อยากได้ดูผูชายไปอ้อนวอนพธิสัตว์เข้าพราะองค์จะประทานลูกชายอยากได้ลูกหญิงได้อ้อนวอนพธิสัตว์เข้าเพราะองค์ก็ประทานลูกหญิงไปในที่เปลียงที่มืดกลัวตว์จะทำร้ายกลัวูร้ายจะทำร้ายให้บูชาโพูธิสัตว์แล้วก็พธิสัตว์อ ง, งค์สำคัญทีชาติมหาญาณนัดถึงที่สุดนะ่ะคือพระอวะโลกิเตศวนพูธิสัตว์จีนแปว่ากุนอิมภาษาญี่ปุ่นแปลว่กันนอน ภาษาญี่ปุว่าอ่ากวางตุไต๋โบตักกวางตุตยไต๋โบตัมหาตาัภาษาญีนว่าน่อ่าภาษาอิาุลีว่ากันนอนโบสัภาษาจีนว่าควซีินพ่อสักเนี่ยเรียกกันยางไงภาษาสุกฤตว่าอวโลกิตเตศวรายบูริตตตวายมหาตตวายวิธีนวั ก, กรกร ม, มต้นเป่งเขาว่านโมตัสมอาริยาวโลกิเตศวรายาบูริตตตวายมหากรุิกายะเนี่ยถ้าภาวนาอย่างนี้นนี่ไปนะฮะ ตกน้ําไ ม, ม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เข้าไฟไฟไม่ไหม้เนื้อไม่ระคายผิวหนังอยู่เย็นคงพันชาตรีในในพระสุพรรณมีสผู้ที่บูชาเป่งขนามพระภูษักรุ่นี้เสมอสตราวุธทําได้ไม่ได้ยาพิษทําอันตรายไม่ได้อแล้วก็ไม่อยากจนมั่งมีสีสุขไปไหนก็มีคนในตาลักไข่ลงน้ามแม่ไหวน้ำหมดจนก็หมืนจนน้ำตายบูชาพระอุณินู้พระอวโลกิเตศวนน่ะบูชานี้ี่ย การสอนแบบนี้ชาวบ้านธรรมดาชอบใจไหมล่ะชอบคือตรงนี้นะอ่ะโอ้สอนแบบนี้เขายังโชว์หน่อยอมหายานมีบริการให้แบบนี้แข่งกับศาสนาพาหมชนะครามเลยชนะคราหมณ์เลยทีเดียวนี่ชาวบ้านชอบใจชาวบ้านที่ไม่ชธรรมดาสามัญ น, นะก็ชอบใจสินี่แหละมหายานจึงมีวิธีการด้วยว่ามหายาณเพื่อมหาชนในแง่ปรัชญาก็เอาสนึกเลยอย่างทานายกระทรวงหนึงุนยนตาเนี่ยไปเซ็นรับรับยึกกระทั่งเทลวัตเองก็ตามคิดเซนไม่ทันนะ่ะ รับรับลึกไปเลยในแง่เรื่องสามัญก็มีเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆก็เนี้กว่ากระถาอาคามอย่างเนี้ได้บริการให้แล้ ว, ว่าคนทุกชั้นทั้งยุ่ทั้งฉลาดมานถือได้หมดนีมมาาาน่มหายานมหายานมโฆษณาว่าเขามห า, ายานผู้มหาชนเมื่อเกิดไป็มห า, ายาณนั่นเป็นเรียกว่าตรงนั้นข้ามว่าทีนใยานทินในยานคำนี้พิระวาายามรับเป็นชื่อของตัวเราเรียกตัวเราว่าเทระวาหรือไม่ก็เรียกว่ า, าสาว่าก่ายานยานของเขาควาบุควาบุอาไรนะฮะลอยได้ทราตะบันอ่ะ เคือกันอย่างนั้นครับเอาไม่ได้สีครับลุงนุ่งเก่งต่งตัวอะไรเสรี้ยนิดท่านอย่ญญาไปเอาเป็นอารมณ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความจำเป็นลินซ่าอากาศธรรมชาติมมันมัน ไ, ไ, ไม่จำเป็นเลยแม่ทราในระหว่าง เ, เองเรามาอยู่ทางมุงจินน้หนาวอ่ะแล้วก็ทาไม่ได้จะห่มจีวอนแบบนี้ผมไม่อยู่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ลาบากมาก ต้งเล่ถึงเท้าแล้วท่านถึงเท้าต้องใส่หมวกเข้าไปให้แล้วดีไม่ดีก็ต้องสูงมหูเข้าไปแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้แ น, นุ่งสมบูงณแบบนี่ลูกหนาวกอไม่ทานายตายไม่ำสำคักลูกไปไหนหิมะตกเป็นหมดไม่กันจำเป็นธรรมชาติบังคับตัวหนุ่มเกยต้องใส่เสื่อไม่งั้นอยู่ไม่ได้อันนี้มันสำคัญครับแล้วก็ทราบแล้วว่าอย่าว่าจะมาหาญาณเลยก็พกคนี่กายหินญาณด้วยกันน่ะที่ไม่เคารพ ก, กติในธรรสัตบน่ะเขาจะถ้อิถาถอ ก, กันอยู่แล้วเนี่ ก, ก, เก็เป็นสิ เขาทาได้อยู่แล้วมิการมีนิยามยในการเขาถอนกันอยู่แล้วพวกเขาชีบุตรไงล่ะเขากาย่อยอมในพวกนี้อยู่แล้วไม่ยอมไปร่าถึงมหายานถ้ามหายานแล้วเขายินดีจะเป็นอาบัติถ้าหากว่าการจะทําอาบัตอย่างนั้นเป็นการช่วยสัตว์ให้เขาว่าถ้ามหายานไปพบผู้หญิงในป่าของต่อองแล้วผู้หญิงนั้นเกิดปวดท้องเดินมาไหนไม่ได้อถ้ามหายาณจะไปอุ้มผู้หญิงนี่ก็ไม่อาบัตอถ้าเป็นถ้ามหาญาณแล้วยอมอาบัตยอมปลุกโรคกลุ่มใหญ่ ถ้ากรตกตะกก็ยอมแต่ถ้าการตกตรกนั้นจะเป็นการช่วยถ่ายทุกข์ของสัตว์โลกพระมหายานยินดีไปนรกนี่ยเขาต้องบอกว่าเขามีโพธิจิตมีหลักมหายากรุณาว่าเป็นพระหินยานแล้วคงแนวสิเพราะกลัวสินขาวินัยเสียเนี่ยแต่ถ้าพระมายานยอมถึงเป็นประราชิกก็ยอมแล้วลงโลกเอเป็นประราชิกตกตกโรกเอาแต่ถ้าว่าการเป็นประราชิกของเขานั้นจะเป็นสาเหตุให้สัตว์ทนทุกข์แล้วก็ เขายินนี้จะให้ตัดพลุกนี่เป็นผู้อาญาขา้างเลยทั้งนั้นไปไปมห า, านน ญ, ญานอ่ะโดยบรรดัตสิขาบทใหม่ขึ้นมาหมวดหนึ่งเนาะต่างจากพิคุปฏติโมกเรียกว่าโพธิสัตว์สิขาวินัยของโพธิสัตว์มีอยู่มีอยู่หลายข้อแล้วก็แรงด้วยคือห้ามไปถึงในใจน่ะใจเช่นว่าพิสุโพธิสัตว์พิสุปที่รับสิ่งโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเห็นคนขอทานน้ปลากรดคนอดอยากมาขอแล้วไม่ให้ ใจเป็นเพียงวัชริยาบอกกูไม่ให้เป็นอาบัตแล้วอาบั ต, ตทัในทีจะถึงใจิดเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเห็นคนร้องโอดครวนเดินผ่านไปเห็นอยู่รู้อยู่แกล้งมือเวยไม่นําพาเป็นอาบัตเป็นอาบัตทีเดียวกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาเป็นอาบัตพฉะนั้นศีลผู้พิสัทธ์กินห้าไม้พระกินเนื้อปลาบอกว่าถ้ากินเนื้อปลาแล้วเท่ากับเป็นการช่วยชาวบ้านในทําปานาปิบัติ พิสุายมาหายานจึงต้องมังสะวิรัตัชฉวิรัตเาเหตุที่สินภูริศัตนี้เป็นเหตุแล้วถ้าเราไม่กินก็ได้ช้าวันเาก็ะจะมาเอาแกงไก่แกงกลามาทำบุญถวายพระทำไมเขาเื่งอยู่เขาไม่เอาหรือเอาผักมาถวายสิพิสุฝายมาหายานจึงจงดเลนมังสะมัชชะเด็ดขาดเพราะว่าจะทให้สินอ ร, ริศัพเศ้ามองให้ขาดไปได้ง้แต่ว่าในในพิสุปฏิโมกนี่นี่ น, น, นนะพระมาหาย า, ยายนนระบวดนะ่ะรักศินสามอย่างสินสมณเณรสินปฏิโมกแล้วก็สินอูริศัต สามอย่างหนั ก, กวัสภาพสิริวารีต้องรับสินธูทิศติกแต่ว่าข้อเท็จจริงในแง่การปฏิบัติกี่กี่ลูกกรรมที่ทําตามเสินธูทิัติได้เนี่ยก็น้อยเต็มทีมีแต่เรื่องตั้งไว้เป็นหลักทฤษดีเป็นส่วนใหญ่ในศินธูทิศติกมันมีมีแปลกอยู่หมวดหนึ่งคือหมวดที่ว่าผู้ที่รับสินธูทิศติถ้าเห็นไอ้ทรมิตรคนใดก า, รร า, ายาจหยาบคายเจือดจาแต่พระพุทธก็ประสงค์ ต้งตวเป็นศตรูต่อพุทธศาสนาแล้วผู้รักสินโูริสัต์นั้นจะตั้งทุ่มเทสติกำลังกับใจบุคคลคนนั้นให้เป็นสัมาทิฏฐิ้ากลับใจไม่สำเร็จและบุคคลคนนั้นจะทำอันตรายต่อพุทธศาสนาแม้ทหารชิดบุคคลคนนั้นต่อควรให้อนุญาตอะไรเ ง, งี้ให้ฆ่ามุนคคลนั้นเสียเพราะว่าการฆ่ามันคนนั้นนะให้ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยความกรุณา ทำไรีดข้าวมัก่อนมันก่กรรมทำเข็ญทาต่ตตอพระพุทธคุณธรรมสงแล้วมันจะต้นตระลึกหมกไหมไปอีกหลายแสนชั่วกับทำรีดข้าวมันแคก่อนในการตัดต้นไปนึช่วยคนคนนั่นเนี่ยตรลึกนานเกินไปเพราไม่ทันจะทํำกรรมชั่วต่อพุทธศาสนาสองเป็นการคุ้มครองาศาสนาพุทธใน้ระเทศไทยถ้าผู้ใดไม่ทําผู้นั่นเป็นอาบัติแม่ในีิบุลจะมีอยู่ข้อหนึ่งอย่างนี้มีอยู่ข้อหนึ่งเอาแรงมีขนาดนี้เน่ยคือว่าชาพุดธมหายานทือว่าเป็นหน้าที่ ที่จะต้องคุ้มครองศาสนาพุทธให้พ้นจากการถูกเบียเดเบียนเป็นหน้าที่โดยตรงทีเดียวถามมาว่าไอ้การที่ไปฆ่าเข้าตายน่ะคนฆ่าน่ะตกนรกไหมตบอบมาว่าตกนรกคนฆ่าก็รู้ตัวฆ่าแล้วตัวตปองตกนรกเป็นตามรปฏิบัติต้ตกนรกสิแต่การตกนรกแบบนี้เขายินดีจะตกข้อหนึ่งเป็นการช่วยให้คนพรมชนคนนั้นนะ่ะพ้นภัยสองเป็นการช่วยพุทธศาสนาพ้นภัยอ่าเพราะนั้น เขาจึงยินดีตกตะล้เพื่อสัพพัตรและนี่แหละเขาว่าเป็นสกปริบของมหายานละ่ะที่แตกต่างกับอินญาณเขาว่างั้น เ, เรื่องที่จะไปถามอุปการในชาวจีนในเมืองไทยอะ่ะที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆที่รู้หนึ่งในคำพีมหาญาณจริงๆนะมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยไมีอยู่แห่งเดียวคือที่พุทธสมาคมไทยจีนประชาติห้าแยกพระพายชายข้างวัดโคก ทีนั่นนะมีการปาถกคาถามีการสอนทำกันมีการเรียนทำกันส่วนคนจินตามบ้านตามโรงเกยอย่าไปถามพวกนี้ถือศาสนาตามพิธีกรรมคือเข้าถึงาศาสนาเพียงแค่พิธีกรรมอย่างเดียวไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพุทธ บ, บุตรก็ไม่รู้พุทธจ้าเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยพวกนี้เราก็ต้ เ, เข้าถึงเพียงพิธีกรรมท่นั้นเองเพราะนั้นไปถามกับที่ทั่วปอยนี้ยคนลนครับคนลนิกายเว ล, ลานี้อีกนิกายหนึ่งเวลาหลังกันนาถึงไม่ถูกกันคนลนิกาย มี่การเวรหลังมี่การเวรหลังตั้งขึ้นในเมืองจีนนี่การนาคาระชุนตั้งขึ้นในอินเดียห่างสมัยกันเยอะแยะเวรหลังตั้งพศหนึ่งพันสองร้อยนาคารชุนตั้งเมื่อพศเจ็ดร้อยห่างกันตั้งหลายร้อยปีคุณประเทศแต่เป็นมหาญาณเหมือนกันคือเป็นนิกายแยกในมหาญานเหมือนกันมีการท่านนาคารชุเวลาไี่อยูมีแล้วไม่มีพิศุไม่มีการแล้วเคยศูญไปโดยพฤตธินัยแต่หลักคำพีหลักปรัชญายังอยู่ยังเรียนกันอยู่ ว่าผูกประสงค์คือมาให้คนเห็นพระนี่หรุร้ายใช่ไหมครับกินเนื้อที่มนุษย์ธรรมดาเขาไปกินกันอย่างเงี้ยดูหรร้ายไปประการหนึ่งและเนื้ อ, เ น, อเนื้อเหล่านี้ก็มีโทษกินแล้วอาจจะย่อยอยากแล้วก็มีปูขยะจะเอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็รับสั่งให้งดเว้นเสียไม่สีนิสุกขอจบวันนี้ในวันนี้นะครับ